แนะนำบทอัลไบยนะบทอัลไบยนะเป็นบทมัลตานิยะมีแปดองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาลของ ม, มัวหมัดซอลลัลลอฮอะไลยฺอั ล, ว ล, ลวสลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการพักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในประโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนาซรอ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 บรรดาผู้ปฏิเสธสัทธาในหมู่ชาวคำพีและพวกบูชาจเวดนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา คือาศาสนาูตท่านหนึ่งจากอัลลอ์เพื่ออ่านคำพีอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคำพีนั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่า และบรรดาผู้ที่ได้รับคำาพี้ยอุกีตานั้นไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ ว, ว ลลและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพพักดีต่ออัลลอ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของโรงเป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่าย z กา a t และนั่นแหละคือศาสน า, าอันเที่ยงธรรม ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคำทีและพวกบูชาจุเวตนั้นจะอยู่ในนรกยนนำโดยจะพานักอยู่ในนั้นตลอดกาล ชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชา ย, ย, ายิ่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง و و การตอบแทนของพวกเขาณนะที่ครับผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวนรรค์หลากหลายอันสถาพรณนะเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล อลัลลอฮ์ทรงปิตติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา